วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเจึยงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมา ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามารับมรดกที่พระพุทธเจ้าได้ท่งมอบไว้ให้กับพวกเราทุกคนมรดกที่พระพุทธเจ้าท่งมอบให้กับพวกเรานี้คืออะไรก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนั่นเอง ความเห็นที่ตกถูกต้องคืออะไรก็คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ทรงเห็นนั่นเองแล้วมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสร่งมาเผยแผ่ความรู้ของที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ พวกเราก็จะไม่มีวันรู้เรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าส่งรู้ส่งสอนได้เลยแต่พอพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องที่เราไม่รู้กันมาก่อน เรื่องที่เราไม่รู้กันมาก่อนก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิความจริงที่มีอยู่แต่พวกเรายังไม่สามารถรู้หรือมองเห็นได้ด้วยตนเองความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้มีอะไรบ้างก็คือบุญมีจริงบาปมีจริง ผลของการทำบุญคือสวรรค์ก็มีจริงผลของการกระทำบาปคืออบายและนรกก็มีจริงตายแล้วก็ไม่สูญตายแล้วต้องไปเกิดต่อถ้ายังมีเหตุที่ทำให้จิตใจไปเกิด คือถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจก็ยังจะต้องไปเกิดต่อไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปถ้าสามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็จะไม่มีการไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ก็จะไปอยู่ที่พระนิพพานนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงข้นพบด้วยพระองค์เองพระองค์จึงเป็นพระอาหารหันต์ัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสรุ ธ, ธรรมด้วยพระองค์เองโดยชอบ คือถูกต้องทุกประการสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นความจริงทุกประการบุญมีจริงบาปมีจริงผลของบุญคือสวรรค์มีจริงผลของบาปคือนรกมีจริงตายแล้วไม่สูญมีจริงตายแล้วไปเกิดต่อมีจริงตายแล้วไม่ไปเกิดต่อก็มีจริง ผู้ที่ไม่ไปเกิดต่อก็คือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนั่นเองท่านเป็นผู้ค้นพบวิธีที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจที่มีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆเป็นใจที่ยังต้องไปเกิด พอได้รับการชำระด้วยธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบคืคออาริยมรรคคือทานศีลภาวนาพอมีทานศีลภาวนามีอาริยมรรคก็สามารถที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้เมื่อหมดสิ้นแล้วเหตุที่จะพาให้ใจไปเกิดไม่มีแล้วใจก็ไม่เกิดอีกต่อไปใจที่ไม่เกิดเราก็เรียกว่านิพานใจที่ไปอยู่ที่ฐานนิพาน นี่คือสัมมาทิฏฐิมรดกอันเลิศอันประเสริฐที่ไม่มีใครที่จะสามารถมอบให้กับพวกเราได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะไม่มีใครที่จะมีความรู้ความฉลาดความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าที่สามารถ เบิกในตาอันบอดของพระองค์เองได้ด้วยตนเองพอเบิกพระเนตรของพระองค์ที่ทรงปิดอยู่ให้เปิดขึ้นก็ทำให้เห็นสิ่งต่างๆที่ที่ในขณะที่ปิดพระเนตรอยู่ไม่สามารถมองเห็นได้ไม่มีใครที่จะรู้วิธีเปิดดวงตาของตนเอง น, นานจะมีคนเก่งคนฉลาดคนที่มีความสามารถที่จะเบิกพระเนตรเบริกตาของตอนเองขึ้นมาได้พวกเรานี่เป็นเหมือนพวกคนตาบอดพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงสัตวรู้ก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นคนตาบอดเช่นเดียวกันยังไม่สามารถเห็น สิ่งต่างๆที่ได้ทรงเห็นหลังจากที่ได้เปิดพระเนตรของพระองค์ขึ้นมาแล้วพวกคนตาบอดหรือนคนที่ปิดตาตัวเองนี้จะไม่สามารถเห็นอะไรต่างๆได้เหมือนกับคนที่ไม่ได้ปิดตาของตนเองถ้าไม่เชื่อลองปิดตาดูแล้วลองเดินไปไหนมาไหนดู เราจะเห็นอะไรเหมือนกับตอนที่เปิดตาหรือไม่ตอนปิดตาก็จะเห็นแต่ความมืดแต่พอเปิดตาขึ้นมาก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่ตาสามารถที่จะเห็นได้สิ่งต่างๆมีอยู่แต่พอเราปิดตาเราไม่เห็นสิ่งต่างๆเราก็เลยไปลบล้างสิ่งต่างๆที่มีอยู่ พ่อเราบอกว่าเราไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นมันก็ต้องไม่มีออย่างคนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐินี้ก็จะบอกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีตายไปแล้วอไปเกิดที่สวรรค์ตรงไหนตายไปแล้วก็เห็นแต่ศูนย์อเห็นร่างกายเพียงส่วนเดียวเท่านั้น ไม่เห็นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็คือจิตใจก็เลยคิดว่าตายแล้วศูนย์เมื่อศูนย์แล้วผลของบุญผลของบาปใครจะเป็นผู้ไปรับและผลของบุญผลของบาปอยู่ตรงไหนไม่สามารถที่จะเห็นได้คิดว่าผลของบุญคือสวรรค์อยู่บนท้องฟ้า ก็ส่งยานอวากาศขึ้นไปสำรวจก็ไม่เจอสวรรค์ไม่เจอใครสักคนหนึ่งเป็นที่เว้งวางวๆที่ไม่มีมนุษย์ไม่มีใครอยู่กันเทวดาก็ไม่มีบนท้องฟ้าบนดาวบนโลกพระจันทร์ก็ไม่เจอเทวดาไม่เจอใครเลยพวกที่เขาเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์พวกคิดว่าตนเองฉลาด ที่สามารถผลิตญาณวากาศขึ้นไปสํารวจท้องฟ้าไดเออ้เขาก็จะไม่มีวันเชื่อเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกเขาก็จะเหมาว่าเป็นเรื่องงมงาย เ, ออเป็นเรื่องงมงายของคนงมงายอย่างพวกเราเออที่มาเชื่อพระพุทธเจ้าออโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ไม่เห็น ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพูดทรงบอกนี้เป็นความจริงหรือไม่เพราะถามพวกเราว่าบุญสวรรค์อยู่ที่ไหนพวกเราก็ตอบไม่ได้ถามว่านารกอยู่ที่ไหนพวกเราก็ตอบไม่ได้แต่เราเชื่อเชื่อเพราะว่ามีคนที่เชื่อ แล้วเขาสามารถพิสูจน์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้แต่พวกเรานี้ยังไม่ได้ถึงขั้นที่สามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้เราก็เลยมีแต่ความเชื่อซึ่งเวลาที่ถูกใครเขาถามเราก็อาจจะไม่สามารถ ตอบคำถามที่เขาถามได้ว่าตายไปแล้วไปสวรรค์สวรรค์อยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ไปสวรรค์ใครเป็นผู้ไปอบายไปนรกเนี่ยคำคำตอบเหล่านี้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดตาของเราขึ้นมาตาของพวกเรามันไม่ใช่ตาของร่างกาย ตาของพวกเรานี้เรียกว่าตาในตาทิพย์เป็นตาของร่างกายทิพย์พวกเรามีสองร่างกายมีร่างกายหยาบร่างกาย ท, ที่มีเนื้อหนังฟันเล็บขนผมกับร่างกายที่ไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีขนไม่มีเล็บไม่มีฟันร่างกายที่ไม่มีผมขนเล็บฟันหนังนี้ เราเรียกว่ากายทิพย์เรีเรียกว่าจิตใจเวลาที่จิตใจอยู่คู่กับร่างกายกายทิพย์นี้ก็เรียกว่าจิตใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกรับรู้ความรู้สึกต่างๆของทางร่างกายของสิ่งต่างๆที่เข้ามาผ่านทวารทั้งห้า คือตาหูจมูกลิ้นกายผู้รู้ผู้รู้สึกผู้คิดนี่คือกายทิพย์ที่เราตั้งชื่อว่าจิตใจพอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปไกายทิพย์นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายกายทิพย์นี่แหละเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไป พราะกายทิพย์นี่แหละเป็นผู้ทำบุญทำบาปส่วนน่่งกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของกายทิพย์อีกทีหนึ่งเหมือนกับมีดนี่เป็ น, เ, นเป็นเหมือนเครื่องมือของคนที่จะเอาไปทำประโยชน์ก็ได้เอาไปทำโทษก็ได้ถ้ า, ามีดไปหัน่นหั่นผักหั่นเนื้อก็เอาไปทากับข้าวกับปลา ทำประโยชน์ได้เอามาทำอาหารรับประทานได้ถ้าเอามีดไปทิ่มไปแทงผู้อื่นให้เสียชีวิตก็เอาไปทำโทษแต่เวลาที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาจับคนที่ฆ่าคนตายด้วยมีดนี้เขาไม่เอามีดไปลงโทษเพราะเขารู้ว่ามีดเป็นเพียงเครื่องมือมีดมันไม่มีภาษาภาษีภาษามันไม่รู้ว่ามันเป็นมีด มันไม่รู้ว่ามันได้ทำความผิดเนผู้ที่ทำความผิดคือคนที่ใช้มีดนั่นแหลอคนที่ใช้มีดเอามีดไปฆ่าผู้อื่นเขาจับคนนั้นไปลงโทษฉันใดกฎแห่งกรรมก็เป็นอย่างนั้นกฎแห่งกรรมนี้จะไม่จับร่างกายไปลงโทษกฎแห่งกรรมจะจับใจผู้สั่งให้ร่างกายไป ทำบาปนี้ไปลงโทษร่างกายนี้เป็นเหมือนเครื่องมือของใจร่างกายจึงไม่ได้ไปรับผลบุญผลบาปเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเวลาร่างกายตายไปร่างกายก็สลายตัวกลับคืนสู่ที่มาของร่างกายคือธาตุทั้งสี่ กับคืนสู่ธาตุสกกับคืนสู่ดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟไปร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่เห็นเพียงแต่ร่างกายจึงกล้าที่จะปฏิเสธว่าตายแล้วศูนย์กล้าที่จะพูดว่าตายแล้วศูนเพราะไม่เห็นส่วนที่ไม่ศูนย์นั่นเอง เมื่อเห็นส่วนที่ไม่ส่วนส่วนที่ไปรับผลบุญผลบาปก็คือกายทิพย์นี่คือจิตใจพอจิตพอร่างกายตายไปจิตใจก็เปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ยังเปิดจิตใจตัวเดิมเป็นกายทิพย์ตัวเดิมเป็นกายทิพย์ที่ไม่มีร่างกายเหมือน คนที่แต่งงานแล้วเวลาหย่ากันเอผู้หญิงที่เขาหยา่าตอนที่แต่งงานเขาก็เรียกว่านางพอหย่าไปเขาก็เปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นนางสาวเป็นโสดเปลี่ยนสถานภาพแต่เป็นคนคนเดิมคนเดียวกันกายทิพย์นี่ก็เหมือนกันกายทิพย์เวลาอยู่กับร่างกาย ก็เรียกว่าจิตใจพอร่างกายตายไปก็เหมือนหย่ากันก็กลับมาเป็นโสดอยู่คนเดียวขณะที่เป็นโสดอยู่คนเดียวก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณแทนแทนที่เราจะเรียกว่าดวงจิตดวงใจคนตายเวลาคนตายเราก็บอกว่าดวงวิญญาณ อ, ออกจากร่างไปแล้วขาดจากร่างไปแล้ว ความจริงดวงวิญญาณไม่ได้อยู่ในร่างกายดวงวิญญาณเป็นเหมือนคนขี่มา้าประกอบขี่ร่างกายเป็นผู้เหมือนกับผู้ที่ชักหุ่นกระบอกผู้เชิดหุ่นหุ่นนี้เป็นเหมือนร่างกายผู้ที่เชิดหุ่นคือผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ สั่งให้ร่างกายเดินยืนนั่งนอนวิ่งทำนู่นทำนีนะ่ผู้ที่เชิดหุ่นคือร่างกายนี้ก็คือใจแที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเหมือนกับความว่างที่อยู่รอบตัวเราเราไม่สามารถเห็นตัวความว่างได้ แต่เราประมาณได้เพราะว่าเรามีส่วนที่มาเปรียบเทียบคือช่องว่างระหว่างสิ่งต่างๆนี่ถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยจะเห็นแต่ความว่างใจก็เหมือนกันกายทิพย์นี่ก็เป็นเหมือนความว่างที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดกว้างแคบสูงตำ่ำ เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของร่างกายจะเห็นได้ต้องเห็นได้ด้วยตาของใจเองใจก็มีตากายทิพนี้ก็มีตาแต่กายทิพนี้เป็นกายทิพที่ตาบอดตากายทิพของพวกเราตาทิพของพวกเรานี้ขณะนี้มันบอด ราะเราไม่ต้องใช้มันเราก็เลยปิดมันปิดมันก็เลยเป็นเหมือนตาบอดไปเพราะเรามาใช้ตาเนื้อแทนเรามาสายตาเนื้อเพื่อที่มาดูมาเห็นอะไรต่างๆเราเลยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตาทิพตาทิพเราก็เลยถูกปิดเอาไว้จึงทำให้เรามองไม่เห็นตัวเราเอง มองไม่เห็นกายทิพย์คือจิตใจหรือดวงวิญญาณแต่ถ้าเรารู้จักวิธีเปิดตาทิพย์ขึ้นมารเราก็จะเห็นตัวของเราเห็นกายทิพย์ที่ขณะที่อยู่กับร่างกายก็เป็นดวงวิญญาณและเป็นจิตใจเป็นผู้รู้ผู้คิดพอเวลาที่ ร่างกายตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ไปรับผลบุญผลบาปเลอันนี้เราจะเปิดตาทิพของเราได้ก็ต่อเมื่อเราได้พบกับคนที่รู้จักวิธีเปิดตาทิพนะคนที่รู้จักวิธีเปิดตาทิพอย่างเต็มที่เต็มร้อยก็คือพระพุทธเจ้านี่เอง พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้วิธีเปิดตาทิพย์แล้วทรงรู้วิธีทรงเห็นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวพระ อ, องค์เองเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของพระ อ, องค์เองเห็นวิธีที่จะทําให้การเวียนว่ายตายเกิดของพระ อ, องค์สิ้นสุดลงพระ อ, องค์ก็เลยทรงเลือกวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิด เพราะทรงเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเป็นทุกข์นั่นเองเพราะว่าเมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายตายตามมาเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้พอต้องประสบกับความแก่ความเจ็บความตายประสบกับการพัดพรากจากกัน ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันพระองค์จึงทรงเห็นด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิธฐิว่าการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ดีเลยสำหรับจิตใจเพราะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจแต่การยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้เป็นผลดีต่อจิตใจ พราะทำให้จิตใจสงบจิตใจเป็นสุขอย่างยิ่งสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเกิดจากการไม่มาเกิดนี่เองเมื่อไม่มีเกิดก็จะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายพระองค์จึงตัดสินเลือกทางของการไม่เกิดเพราะพระองค์ทรงรู้เหตุที่ทำให้ร่างกายทำให้จิตใจนี่มาเกิดได้อย่างไร และสรงรู้วิธีที่จะกาจัดเหตุที่จะทำให้การมาเกิดของจิตใจนี้สิ้นสุดลงพระองค์ก็เลยส่งใช้วิธีที่ได้ส่งคนพบกำจัดเหตุที่พาให้จิตใจให้ดวงวิญญาณมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี้ได้สิ้นสุดลง ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงกระทากิจที่สำคัญนี้สำเร็จแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงอุทิศเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่อีก45ปีทรงตัดสรุทรงยุติการเวียนว่าตายเกิดได้ในวันเพ็ญเดือนหกขณะที่มีพระ ชนพายชนาอายุส5สิบห้าปีอายุส5สิบห้าปีก็ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าและหลังจากนั้นก็ส่งปฏิบัติหน้าที่สั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จักวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกสี่สิบห้าปีด้วยกันจนถึงอายุแปดสิปีก็ สเสด็จดับขันปาริณิพานไปคือร่างกายหมดอายุไม่สามารถอยู่ต่อไปได้นี่คือพระพุทธเจ้าของพวกเราที่พวกเราได้มีโชคมีวาสนาได้มาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคือได้มาเป็นพุทธศาสนิกชน วุธศาสนิกชนนี้เปรียบเหมือนเป็นลูกของพระพุทธเจ้าจึงมีสิทธิที่จะรับมรดกอันล้ำค่าจากพระพุทธเจ้าคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี่ถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วเราไม่ศึกษาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็เป็นเหมือนลูกที่ไม่ยอมรับมรดกจากพ่อจากแม่พ่อแม่มีมรดกมากไว้ให้แต่เรากลับไม่สนใจไม่สนใจก็เราก็จะไม่ได้รับสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของพวกเราแต่ถ้าเราสนใจศึกษาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้ เรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้เมื่อได้ทรงรู้แล้วก็ทรงเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วไม่ทราบ ว, ว่าจะตกมากหรือตกน้อยอาจจะเป็นน้ ำ, นำมนต์ของเทวดาก็ได้ถ้ายังไม่เปียกมากก็ลองนั่งรองไปสักพักหนึ่งก่อน ถ้ามันเริ่มเปียกมากก็อยากจะขยับขยายก็ได้เพราะบางทีฝนช่วงนี้มักจะเป็นฝนเทียมฝนไม่มากฝนตกเบาๆหยดสองหยดเวลาเราอาบน้ำเราเปียกมากกว่านี้เรายังเปียกได้เปียกกับน้ำมนเรายังเปียกได้ เวลาพระปะผมน้ำมนตนี่แย่งกันแยงกันเปรียกนี่ก็เหมือนกันนะนี่ขอให้เราคิดว่าตอนนี้เทวดากำลังมาปะผมน้ำมนให้กับพวกเราถ้ายังไม่เหลือบาฝาแรงก็นั่งฟังกันต่อไปถ้ามันเิ่นตกเป็นเม็ดใหญ่อันนี้ก็ค่อยขยับขยายกัน แต่ก็ตามใจนะไม่ได้ห้ามใครมีโรกภัยใข้เจ็บที่ถูกผลไม่ได้อยากจะขยับเข้าที่ล่มก็เชิญหาที่ล่มเข้าไปได้นี่คือเรื่องของการมาวัดเรามาเพื่อมารับมรดกการลำคาคือมารับสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้อง ที่จะนําพาไปสู่การกระทำการพูดการคิดที่ถูกต้องเมื่อมีการคิดการพูดการกระทําที่ถูกต้องผลที่ถูกต้องก็คือความสุขความเจริญของจิตใจก็จะตามมาถ้ามีความคิดที่ผิดมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่ผิดไม่ถูกต้องตามความจริงก็จะมีความคิดที่ผิด มีการพูดการกระทาที่ผิดก็จะปรากฏผลที่ผิดตามมาผลที่ผิดก็คือความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจนั่นเองนี่คือคุณค่าของสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้กับพวกเราเมื่อเราเห็นว่าบุญมีจริงเราก็จะพยายามทำบุญกัน บุญทําให้เรามีความสุขความเจริญนั่นเองตอนนี้เราดวงวิญญาณเราเป็นดวงวิญญาณของมนุษย์เราสามารถสร้างให้เจริญขึ้นจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาได้ด้วยการทําบุญด้วยการละบาปนะการไม่ทําบาปก็จะป้องกันไม่ให้จิตใจเราตกต่ําไม่ให้เสื่อม ไม่ให้ไปเจอกับความทุกข์ในอบายเนี่ยการทำบาปนี้เป็นการดึงจิตใจให้ลงต่ำขณะนีน้จิตใจเราเป็นมนุษย์พอเราทาบาปจิตใจเราก็จะลงต่ำไปเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกไปตามลำดับแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะไม่ต้องไปรับผลบาปในอบายไม่ต้องไป นอกจากให้น้ำมนแล้วยังให้พรด้วยเทวดาเทวดา ม, ามาร่วมอนุมโมทนากับพวกเราที่พวกเรามารับมารดกจากพระพุทธเจ้าเขาแสดงความยินดีเขาอิจฉาพวกเราเขาไม่มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเหมือนกับพวกเราเขาจะฟังธรรมได้ก็ต้องรอให้มี พาาาระอรหันต์พระพุทธเจ้าที่สามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้พวกเทวดาได้ถึงจะสามารถฟังเทศฟังธรรมได้ถ้าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระธรรมดาที่ไม่สามารถติดต่อกับเทวดาได้ก็ไม่สามารถสั่งสอนเทวดาให้เกิดมีสัมมาทิตฐิได้เขาเห็นพวกเรา มีบุญมีวาสนามีโชคที่ได้มีโอกาสมีเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมเขาก็เลยมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยมาสแสดงความยินดีกับเราประพรมน้ำมนต์ให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราได้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทางด้านจิตใจต่อไปพอเรามีสัมมาทิฏฐิเรารู้แล้วว่าบุญมีจริง บุญนี้จะส่งให้ดวงวิญญาณของเราขึ้นไปสู่สวรรค์นะรเราก็พยายามทําบุญกันตามโอกาสตามกำลังของเราไปบาปเมื่อเรารู้ว่าเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของพวกเราเป็นตัวที่จะฉุดลากให้พวกเราลงต่าให้เราไปรับความทุกข์ในอบายเราก็พยายามละกันละด้วยการรักษาศีล อ้าแล้วก็ณะเสบอบายามุกต่างๆเพราะการเสบอบายามุกนี้เป็นผู้ที่จะดึงให้จิตใจไปทำบาปต่อไปถ้าไม่เสบอบายามุกก็จะไม่มีเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปเช่ <c oughs> นดื่มสุรายาเมาคนดื่มสุรายาเมากับคนไม่ดื่มนี่เป็นคนละคนกั น, นเวลาดื่มนี้ ไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดการพูดการกระทาของตนเองได้ก็จะไปทำอะไรที่เสียหายต่อผู้อื่นได้เพราะไม่มีสติที่เป็นเครื่องยับยั้งจิตใจนั่นเองพอคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีทำไม่ดีทันทีแต่ขณะที่ไม่ได้ดื่มโซลานี้จะมีสติ พอรู้ว่ากำลังคิดไม่ดีก็หยุดคิดเสียพอจะพูดรู้ทำไม่ดีก็ห้ามได้นี่คืออบายามุขตัวที่จะสนับสนุนให้ใจไปกระทำบาปไปผลักดันให้ใจไปทำบาปถ้าไม่มีการเสริอบายามุขถ้าไม่ดืม่มเวราจนมืนเบาก็จะไม่ไปทำอะไรที่เสียหาย พอดินโซลาาจนมึนเมาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมการพูดการกระทำได้ก็มักจะพูดจะทำอะไรที่สร้างความลำคารหรือสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่นคนเราจึงไม่ค่อยชอบคนเมากันเท่าไหร่เพราะเมาแล้วนี่มักจะสร้างปัญหาสร้างเหตุสร้างเรื่องวุ่นวายต่างๆให้แก่ผู้อื่นนั่นเอง พอไปสร้างแล้วตัวเองก็ต้องไปรับโทษต่อไปทำบาปก็ต้องไปรับผลบาปตายไปแทนที่จะกลับมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาก็ไปไม่ได้แล้วเพราะมีบาปเป็นตัวฉุดล่างให้ลงไปสู่บายเราก็ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องหรืออย่างน้อย เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่ามีความเห็นที่ถูกต้องเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่มาโกหกหลอกลวงพวกเราเพราะพระพุทธเจ้านี้ไม่มีรายได้จากการที่เอาเรื่องสัมมาทิฏฐินี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าได้ก็เป็นเพียงแค่อาหารวันละเมือกเท่านั้นเองทิ่งที่พระพุทธเจ้าได้รับตอบแทนจากผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้า ก็คือใส่บาทรเนี่ยงงไปบิณฑบาตวันละหนึ่งครั้งเพื่อเอามาเลี้ยงร่างกายเท่านั้นเองแต่สิ่งอย่างอื่นนี้พระพุทธเจ้าไม่เดือดร้อนไม่มีก็ไม่เดือดร้อนที่อยู่อาศัยทรงอยู่ได้ตามป่าตามเขาตามโคนไม้ยารักษาโรค ก, ก็ดื่มยาดองน้ำปัสสาวะได้เสื้อผ้า ก็ไปเก็บผ้าที่หอ่อศพทิ้งไว้ในป่าช้ามาทำเป็นผ้าจีวรได้ดังนั้นการการทำงานของพระพุทธเจ้าการสั่งสอนการนำเอาสัมมาทิฏฐิวิชาที่เลิศโลกมาสอนให้แก่สัตว์โลกนี้ไม่ได้ทำเพื่ อ, อไรายได้เลยเราจะต้องมาโกหกดอกลวงทำไมให้เสียเวลาโกหกดอกลวงก็ไม่ได้อะไร สู้อยู่เฉยๆไม่ดีกว่าถ้าจะต้องมาโกหกหลอกลวงแล้วมาทำตัวเองให้ลงต่ำเพราะถ้าคนเขารู้ว่าเราเป็นโกหกคนโกหกหลอกลวงคนเขาก็จะไม่นับถือไม่เชื่อเราอีกต่อไปแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงทุกประการมีคนเชื่อมีคนพิสูจน์มาทุกยุคทุกสมัยมีแต่คุณเทิดทูนบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า มันจึงทําให้พวกเรานี้โชคดีไม่ต้องนังเลยสงสัยในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยถ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่เพิ่งโผล่มาแล้วมาสอนเหล่านี้พวกเราก็อาจจะต้องนังเลยสงสัยเพราะยังไม่มีใครมารับประกันมารับรองแต่พระพุทธเจ้านี้มีพระอริยสงฆ์สาวกมารับรองตลอดระยะเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว ไม่มีใครที่จะมาปฏิเสธคำสั่งคำสอนเลยไม่มีใครมาพูดว่าพระพุทธเจ้าพูดโกหกหลอกลวงมีแต่ว่าสวากขาโตพระกวตาทมโมททำที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้นี้ชอบทุกประการถูกต้องทุกประการมีจริงทุกทุกอย่างที่ทรงได้ตัดไว้บุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงนะครพวกเราจึงสบายการเชื่อของพวกเรานี้จึงเชื่อได้อย่างมั่นใจสบายใจว่าไม่ถูกหลอกลวงอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเมื่อเราเชื่อแล้วเราสามารถทำตามที่เราเชื่อได้หรือไม่เท่านั้นอันนี้ยังเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อ เพราะการเชื่ออย่างเดียวยังไม่สามารถทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้และทำให้การเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรานี้ให้สิ้นสุดลงได้เพราะเพราะว่านอกจากเชื่อแล้วเราเร า, เรายัางต้องทาในสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไปตามลาดับ และสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากเชื่อแล้วเราก็ต้องทําด้วยเชื่อบุญก็ต้องทําบุญเชื่อบาปก็ต้องละบาปเชื่อว่าการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องบาเพ็ญจิตตะภาวนาเพราะการบาเพ็ญจิตตะภาวนานี้เป็นวิธีที่จะชาระ เหตุที่พาให้จิตใจไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี้ให้มันหายไปหมดจากใจให้ใจกายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อของภพชาติก็จะไม่มีการไปเกิดอีกต่อไปอย่างนั้นพวกเรานี้อย่างน้อยก็ผ่านด่านแรกแล้ว คือเราผ่านความเชื่อแล้วความเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วดีกว่าคนอีกมากมายที่ไม่ได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าพวกทีมเกิดนอกศาสนาพวกนี้เขาจะไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เชื่อเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามแต่พวกเรานี้เราผ่านด่านแรกแล้วเราเชื่อแล้วเพราะว่าเรามีผู้ที่เขาเชื่อ แล้วชวนให้เราเชื่อกันแล้วมีผู้ที่พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนนี้เป็นความจริงทุกประการคือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าทุกลูกทุกองคเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามจนสามารถเปิดตาในของตนเองขึ้นมาได้ทาให้เห็นนรลกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตนได้ เห็นวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของตนได้จึงทำให้พวกเราไม่ต้องมีความลังเลสงสัยกันถ้าเราลังเลสงสัยก็เข้าไปศึกษาได้จากพระไตรปิฎกหรือศึกษาจากพระอริยสงสาวกก็จะยืนยันรับประกันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรงสอนนี้เป็นความจริงทุกประการก็จะทำให้เรา มีความเชื่อขึ้นมาเมื่อมีความเชื่อแล้วเราก็จะได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราหยุดการกระทำที่เป็นโทษเป็นภัยกับเราการกระทาที่เป็นโทษเป็นภัยก็คือการกระทำบาปทำบาปแล้วมีแต่เป็นภัยต่อจิตใจเป็นเหมือนเอาไฟไปเผาตัวเราเอง การทำบาปนี่เป็นเหมือนเอาไฟไปสุมในหัวใจเราเวลาทำบาปแล้วใจเราจะร้อนอยากินไม่ได้นอนไม่หลับจะมีความทุกข์มีความวิตกกังวนต่างๆนานาอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกาจัดส่วนการทำบุญนี่เป็นการให้อาหารกับใจให้ความเย็นกับใจ เวลาทําบุญแล้วใจจะเย็นจะสบายมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจเราจึงต้องทําบุญกันเพื่อให้เราจะได้มีอาหารบำรุงจิตใจละบาปเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมาบั่นทอนจิตใจของเราทําให้ใจเราไม่มีกําลังวังชาที่จะไปทําภารกิจที่สําคัญขั้นต่อไป ก็คือขั้นของการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์การจะทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้จิตใจต้องมีเรี่ยวแรงมีอาหารคือมีบุญมาหล่อเลี้ยงเหมือนเวลาที่เราจะไปทำงานทำการเราต้องรับประทานอาหารให้อิ่มก่อนถ้าร่างกายยังหิวโซอยู่จะไม่มีกําลังวังชาที่จะไปทำงานทำการได้ หรือถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็จะทํางานไม่ได้การทําบาป ก, ก็เป็นเหมือนกับทําให้ใจนี้มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะจะมีแต่ความเจ็บมีแต่ความทุกข์สมอยู่ในหัวใจก็จะไม่มีกระจิตกระจายที่จะไปทํางานที่สําคัญให้กับตนเองคือการไปชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรารักษาใจที่เกิดจะเกิดโรคจากการทําบาปก่อนอย่าทำบาปทาบาปนี้เป็นเหมือนเอาเชื้อโรคเข้าไปสู่ใจทําให้ใจร้อนเป็นไข้เป็นไ ข, เนข้เป็นเจ็บปวดไปทั่วสพางกายการทําบาปนี้เป็นเหมือนกับทําให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ปวด่วยส่วนการทําบุญนี่เป็นเหมือนกับการ ให้ร่างกายมีอาหารรับประทานให้ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนให้ได้อาบน้ำอาบท่าให้มีความเย็นความสบายพอเราได้พักผ่อนหลับนอนได้อาบน้ำอาบท่าได้รับประทานอาหารไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไปทำงานทำการกันได้ใจของพวกเราก็เป็นเหมือนร่างกายเราต้องรักษาไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยการละการกระทําบาปและการเสพอบายามุขเนี่ยถ้าเราไปทําบาปไปเสพอบายามุขใจเราจะไม่สบายไม่สบายแล้วก็จะไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปทํางานที่สําคัญที่จะมาปลดเปื้อนการติดคุกติดตารางของพวกเราให้ หมดไปตอนนี้พวกเราเป็นเหมือนนักโทษติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคุกตารางของพวกเรานี้มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้า น, นที่สองเรียกว่าแก่ด้านที่สามเรียกว่าเจ็บด้านที่สี่เรียกว่าตายเราต้องพยายามปีนป่ายออกจากกำแพงอันนี้ไปให้ได้ เราถึงจะไม่ต้องติดคุกติดตารางกันตอนนี้เรามีผู้ยื่นบันไดลงมาให้พวกเราแล้วให้พวกเราปีนออกจากกำแพงแต่ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีกำลังปีนขึ้นบันไดเราก็จะปีนข้ามกำแพงออกไปไม่ได้เราจึงต้อง รักษาใจของเราไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยการไม่กระทําบาปนะไม่เสพอบายามุขแล้วใจของเราจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจจะเป็นปกติแล้วถ้าเราอยากให้ใจมีกําลังวังชาเราก็ให้อาหารใจด้วยการทําบุญต่างๆมีข้าวของเงินทองต่างๆที่เราไม่ต้องใช้ไม่ต้องเก็บนี่เอาไปทําบุญทำทาน อย่าเอาไปใช้ในทางอื่นถ้าเอาไปใช้ในทางอื่นก็เป็นการไปส่งเสริมข้าศึกศัตรูของพวกเรานี่เองคือถ้าเราเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆนี่ก็เป็นการไปเลี้ยงกิเลสตัณหาที่เป็นตัวที่จะดึงให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองถ้าเราไปเลี้ยงกิเลสตัณหามันก็จะมีกําลังมากขึ้นมันก็จะทำให้เรา ลำบากต่อการที่จะไปกําจัดมันนั่นเองเราต้องหยุดการสนับสนุนกิเลสตัณหาด้วยการใช้เงินทองไปทําตามความอยากต่างๆเยันอยากไปเที่ยวก็ต้องหยุดเอาเงินไปเที่ยวไปทําบุญอยากซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราก็ต้องหยุดเนี่ยไม่จําเป็นของพวกนี้ไม่ทําไม่ตาย ทำแล้วกลับเป็นโทษกับจิตใจไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจอย่าไปทำมันถ้าจะต้องใช้เงินก็เอาไปใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับจิตใจไปซื้ออาหารให้กับจิตใจด้วยการทำบุญทำทานแทนนี่คือทำไมท่านถึงสอนให้เราทำบุญกันทำไมสอนให้เราละบาปกัน เพราะเราต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมต่อกับภารกิจที่เราจะต้องทํานั่นเองคือการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จิตใจต้องปราศจากโลกภัยไค้เจ็บปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปการเสพอบายอย่างมุกแล้วก็จิตมีกําลังวางชาจากการได้รับประทานอาหารของใจด้วยการทําบุญทําทานทําบุญต่างๆต่างๆทั้งหลายให้ถึงพร้อมน พอเราเตรียมละใจให้มีกำลังวางจจที่จะไปปฏิบัติภารกิจได้เราก็จะไป ป, ปฏิบัติได้อย่างง่ายได้พอเราตัดสินใจว่าจะต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ไปทำกิจข้อที่สามก็คือไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการใช้เครื่องซักฟ อ, อกใจนั่นเองอะไรคือเครื่องซักฟ อ, อกใจก็คือ การถือศีลของนักบวชแล้วก็การภาวนาอันนี้เองอันนี้แหละคือเครื่องซักพอกใจที่จะทําให้กิเลสตัณหาเชื้อของภพชาติต่างๆนี้หมดสิ้นไปได้ต้องไปอยู่แบบนักบวชไปถือศีลของนักบวชคือศีลแปดถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าเป็นพระเป็นเนธถ้าเป็นเนนก็ถือศีลสิบถ้าเป็นพระก็ถือศีลสองอยี่สิข้อ เพราะศีลนี้เป็นผู้ที่จะเปิดทางให้เราได้ไปภาวนาถ้าเราไม่มีศีลเราจะถูกากามฉันทะความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายคอยกีดขวางอยู่ เ, เพราะว่าศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราไปเสพกามกันนั่นเองแต่พอเราถือศีลแปด น, นี้เราก็จะเสพกามไม่ได้ พอเราไม่เสพกามเราก็มีเวลาว่างที่จะไปภาวนาได้ถ้าเรายังเสพกามอยู่ยังก็จะไม่มีเวลาท่านเจ้าเรายังอยากจะนอนกับแฟนอยู่เราก็ไปนั่งสมาธิไม่ได้ไปภาวนาไม่ได้ถ้าเราอยากจะไปกินเลี้ยงกินอาหารค่ํามเราก็จะมีเวลาน้อยให้กับการภาวนา เรากินอาหารข้ามเสร็จก็อิ่มก็ง่วงแทนที่อยากจะภาวนาก็อยากจะนอนอก็เลยต้องห้ามไม่ให้กินอาหารเย็นให้กินได้แค่เพียงครึ่งทเที่ยงวันก็พอหลังจากนั้นร่างกายจะได้ไม่ง่วงจะได้มีเวลาที่จะไปภาวนาไดาา้ถ้าเรายังเสพกามอยู่ยังอยากอยากดูหนังฟังเพลงอยูเอเอ่เราก็จะไม่มีเวลามาภาวนา เราจึงต้องถือศีลของนักบวชกันคือศีลแปดขึ้นไปศีลของนักบวช น, น, นี้จะห้ามเสพกามห้ามร่วมหลับนอนกันห้ามกินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ห้ามไปดูมหรสลพบันเทิงต่างๆห้ามให้ร้องล้ำทำเพลงห้ามให้แต่งกายแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวแต่งตาแต่งผมให้สวยให้งามเพราะนี่เป็นการเสียเวลาเสียเวลาที่จะเอาเวลาไปช็อปซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาจึงจําเป็นที่จะต้องถือศีลแปดกันสําหรับผู้ที่อยากจะทําภารกิจ คือการกำจัดภพชาติให้หมดสิ้นไปจากใจกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นเชื้อชาติของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ด้วยการถือศีลแปดเพื่อที่จะได้มีเวลาไปซักพอกจิตใจด้วยการภาวนาการซักพอกจิตใจก็มีสองระดับระดับชั่วเทาากับระดับถาวอนช่วงแรกก็ให้ซักพอกแบบชั่วเขาาก่อน ด้วยการทำใจให้สงบด้วยการหยุดความโลภความอยากต่างๆไว้ชั่วคราวด้วยกำลังของสติสตินี้สามารถหยุดความโลภความอยากได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถกำจัดได้อย่างถาวรแต่เป็นวิธีง่ายกว่าวิธีกำจัดอย่างถาวรสตินี้ง่ายกว่าปัญญาปัญญานี้เป็นวิธีที่จะทำลาย กิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างถาวรแต่ปัญญาก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้ช่วยเป็นผู้จับกิเลสตัณหามามัดไว้ก่อนเมื่อจับกิเลสตัณหามามัดแล้วปัญญาก็สามารถเอามีดมาเชือดกิเลสตัณหาให้ตายได้เลย<ม>จึงต้องทําขั้นที่หนึ่งก่อนก็คือจับกิเลสตัณหามามัดเอาไว้มาจับมามัดเอาไว้ไม่ฆ่ามันเพราะเชือกไม่ เชือกที่จะมาจับมามัดมันนี่ฆ่ามันไม่ได้เพียงแต่มัดมันไม่ไม่ให้มันมาสแสดงวีรกรรมต่างๆไม่ให้มันมาสร้างพบสร้างชาติให้กับจิตใจแต่ถ้าเวลาใดที่เชือกขาดเวลาที่ไม่มีสติกิเลสตัณหามันก็ยังออกมาสแสดงวีรกรรมต่างๆได้มาสร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจได้นะ ก็ต้องพยายามฝึกสติสร้างเชือกของที่จะมามาัดกิเลสตัณหาให้มีกำลังมากถ้าเจริญสติบ่อยขึ้นกำลังของสติก็จะมีมากขึ้นแล้วจะสามารถในที่สุดจับกิเลสตัณหามามาัดให้มันอยู่นิ่งๆเฉยๆได้เมือมันอยู่นิ่งๆเฉยๆได้แล้วทีนี้ก็ เอามีดของปัญญามาฟันมันได้มาเชือดคอมันได้มาฆ่ามันได้เนั่นเบื้องต้นเราต้องฝึกสติก่อนจเจริญสติให้มากามากเหมอนบาิีกรรมพุทโธพุทโธเพราะการบาิีกรรมพุทโธก็เป็นวิธีสร้างสตินั่นเองเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติไม่ยุ่งยากเพียงแต่ให้ท่องพุทโธพุทโธไปเหมือนกับการสดวดมนต์เท่านั้นเอง ถ้าไม่อยากจะพุโทโธอยากจะเปลี่ยนเป็นธรรมโมสังโฆก็ได้โดยอยากจะสวดมนต์ไปสั้นๆหลายๆรอบก็ได้สวนพุทธังสรนังกระฉามิธรรมังสรนังกระฉามิสังขังสรนังกระฉามิไปเรื่อยๆก็ได้บางท่านก็ถามว่าใช้อนิจังทุกขังอนัตตาได้หรือเปล่าก็ได้เนี่ยบริกรรมอนิจังทุกขังอนัตตาไปก็ได้ อ น, นิจจังก็คือความตายี่ยก็เป็นการเจริญมรณานนสตนินี่คือวิธีเจริญสติที่ทําให้สตินี้มีกําลังวังชาที่จะสามารถจับกิเลสตัณหามามัดให้มันอยู่เฉยๆให้ได้พอกิเลสตัณหาไม่สามารถแผงเล็ดได้ก็เป็นเป็นโอกาสที่จะได้เอาปัญญามาเชือมมาฆ่ามันได้ เห็นไหมสังเกตไม่เวลาคนที่เขาจะฆ่าวัวฆ่าควายนี่เขาต้องจับวัวควายมามัดไว้ก่อนถ้าปล่อยให้มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่จะไปฆ่ามันมันยากก็เลยต้องใช้เชือกจับมันมามัดไว้ก่อนให้มันอยู่นิ่งๆพอมันไม่ดิ้นนะไม่หนี้วทีนี้ก็ง่ายเอามีดมาฟันมันมาแทงมันมันก็ตาย อันนี้ก็เหมือนกันการที่จะฆ่ากิเลสตัณหาการที่จะชำละกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจนี้เราก็ต้องใช้วิธีเดียวกันคือเบื้องต้นต้องจับมันมามัดไว้ก่อนจับให้มันนิ่งวิธีนิ่งก็ต้องใช้เชือกคือสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปจนจิตรวมเป็นหนึ่งสงบนิ่งสักแต่ว่รู้ไม่มีความคิดปรุงแต่งพอไม่มีความคิดปรุงแต่งกิเลสตัณหาก็ ทำงานไม่ได้เพราะกิเลสตัณหานี่ต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งเป็นผู้นำนั่นเองก่อนที่เราจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อน อยากกินขนมก็ต้องคิดถึงขนมก่อนตอนนี้ไม่ได้คิดถึงขนมก็เลยไม่มีความอยากกินขนมกันนี่พอกระตุ้นขึ้นมาหน่อยพอคิดแล้วนี้บางคนเริ่มอยากขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่ได้คิดถึงขนมก็จะไม่ได้อยากกินขนมถ้าไม่ได้คิดจะลุกก็จะไม่ได้ลุกเนี่ยแต่พอคิดจะลุกเดี๋ยวก็ต้องอยากลุกขึ้นมาทันทีงั้น เรื้องต้นเราต้องหยุดความคิดทําจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วกิเลสตัณหามันก็จะสงบตามพอมันสงบตามแล้วทีนี้เวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ใช้ปัญญาเข้ามาฆ่าเหมือนเวลากิเลสเริ่มขยับตัวกิเลสตัณหาเริ่มขยับตามความคิดปับ๊บเราก็ใช้ปัญญาฆ่าเหมือน ปัญญาที่จะค่ากิเลสตัณหาก็คือไตรลักษณ์นี่เองให้เราพิจ า, ารณาไตรลักษณ์ทุกครั้งที่เราอยากจะทำอะไรเราพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ปั๊บเราก็จะไม่ทำแต่ถ้าเราไม่มีปัญญามองไม่เห็นทุกข์ในสิ่งที่เราจะทาเราก็จะกล้าทากันแต่คนที่มีปัญญาแล้วจะไม่กล้าทําเพราะรู้ว่าการกระทำอะไรก็ตามถ้าทำตามความอยากแล้วมันจะต้องพาให้เราไปเกิดต่อ เมื่อเกิดเกิดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุกข์ต่อไปนี่คือปัญญาต้องเห็นใจรักเห็นเห็นอริยาาสัจสีเข้าใจความหมายของอริยาาสัจสีเข้าใจความหมายของใจรักเวลาเราอยากอะไรป๊บเนี่เราจะเห็นทุกข์ทันที อยากมีแฟนเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับแฟนอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่มีแฟนจะไปทุกข์กับแฟนได้อย่างไรถามคนมีแฟนดูเขาทุกข์กับแฟนไหมเลยเขาสุขกับแฟนเพียงอย่างเดียวไม่มีอะไรที่จะสุขอย่างเดียวในโลกนี้ของมันมาคู่กันสิ่งไหนมีความสุขสิ่งนั้นต้องมีความทุกข์เสมอเพราะความสุขที่ได้มันไม่เที่ยงนั่นเองความสุขมันเป็นอนิจจังพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมด พอมันหมดมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความสุขทั้งปวงได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นมันก็จะเจือจางหายไปพอเจือจางหายไปมันก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้ห้ามให้เขาเปลี่ยนไม่ได้ห้ามไม่แฟนเขาเปลี่ยนไม่ได้เวลาพบกันใหม่ๆเขาก็รักเราดีกับเรา พออยู่กับเราไปแล้วสักพักเอา้าไงไม่ดีซะแล้วไงไม่รักเราซะแล้วเอขาเพราะเราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาอ่นี่คือการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่เราอยากได้แล้วรับรองได้ว่าไม่เอาดีกว่าเรื่องอะไรไปหาทุกข์กันหาเหามาใส่หัวทำไมถึงแม้เหามันจะสวยยังไงมันก็เป็นเหาหนั่นแหะ มันก็จะต้องมาทำให้ศรีรษะเราขันเข้าใหญหมแต่เราเราจะสวยจะหล่อ ย, อยังไงจะดียังไงจะให้ความสุขกับเรามากน้อยเพียงไงเดี๋ยวมันก็ต้องให้ความทุกข์กับเราไม่ทุกข์เพราะไม่ทุกข์เพราะว่าเขาไม่ดีก็ทุกข์เพราะว่าเขาจากเราไปก็ได้มันดีขึ้นดีเขาอาจจะลื่นล้มหัวหัวฟาดพื้นตายไปก็ได้พอตายไปล้วก็มนร้องห่มน้องไห้ หรือถ้าเขาไม่ตายเขาเปลี่ยนไปก็ได้เปลี่ยนจากดีกลายเป็นไม่ดีขึ้นมาก็ได้ น, นี่คือตายลักอันนีจ้จจงทุกขังอนัสตาพยายามมองให้เห็นตายลักในสิ่งที่เราอยากได้อยากทำแล้วเราจะหยุดทันทีหยุดความอยากได้ทันทีพอเราทำอย่างนี้กับทุกความอยากต่อไปความอยากก็หายไปหมดไม่มีความอยากลหลงเลืเจ อ, อีกต่อไป เมืม่อมีมีความอยากไม่มีเชื้อของพพชาติพพชาติก็ไม่มีเหมือนกับไฟถ้าไม่มีเชื้อไฟไฟมันจะลุกขึ้นมาได้ไหมที่มันลุกได้เพราะเราคอยเติมเชื้อไฟเข้าไปในกองไฟอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่เติมเชื้อไฟเข้าไปเดี๋ยวเชื้อไฟเก่าที่มีอยู่หมดไปมันก็ดับไปเท่านั้นเองอนี่คือวิธีที่จะมาทาภารกิจที่สาคัญ ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปพบกับความสุขอันมหัศจรรย์ใจของพระนิพพานที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องมารับสัมมาทิฏฐิจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติคือทาละการกระทาบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นพอเราทำได้เราก็จะได้รับมรดกอันล้ำคาคือได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้รับความสุขของพระนิพพานที่เป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุจังกปา จันโทปนะราโสยถามณีโชติอาราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภาวะโนันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทนาสีลิตสนิจังวุธาปจายโนยัตารธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วขออนุญาตงดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแทนก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ยอดเฟซบุ๊กมีสาม้อยสิบท่านคะ่ะยูทูบมีสามร้อยสิบเก้าท่านวิทยุแปดท่าน รับฟังบนเขามี171ท่านรวมเป็น808ท่านคะ่ะใครมีคำถามอยากถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไมไปให้ถ้ายังไม่มีก็เอาคำถามทางบ้านก่อนนะค่ะมีโยมที่นับถือาศาสนาคริสต์นะคะฝากถามมาว่าถ้าจะทำบุญให้ช้าง11ตัวที่ตกเหวตายที่เขาใหญ่ต้องทำอย่างไรคะ ก็เอาเบอร์จากเงินไวอจากที่ไหนก็ได้วัดไหนก็ได้วัดคิดวัดไทยวัดอิสลามก็ได้ทาบุญทําทานแล้วจใจเราจะมีความสุขแล้วเราก็อุทิศความสุขนี้ไปให้กับช้างที่เขาไม่มีโอกาสได้ทาบุญไม่มีความสุขดวงวิญญาณเขาจะได้มีความสุขนะคําำถามจาก YouTube นะคะขอจากโยมอ่อนอุมาบุญมา กราบเรียนธรรมพระอาจารย์ค่ะทุกครั้งที่โหนโอนเงินให้แม่ใช้ใจจะรู้สึกเย็นเหมือนอยู่ในตู้เย็นแบบนี้เรียกว่าบุญหรือเปล่าคะนั่นแหละอนุภาพของบุญคือความเย็นความอิ่มความเบาความสบายใจตรงข้ามกับบาปที่มันหนักมันร้อนมันไม่สบายใจ ท่านถึงสอนให้อย่าทําบาปเพราะเท่ากับทําร้ายตัวเองทําลายใจตัวเองทําบุญแล้วก็จะทําให้ใจดีใจสุขนะอย่างเงินหรือของเนี่ยที่เราสมมุติของที่เราจะกินเนี่ยถ้าเรากินเราได้ความสุขแบบหนึ่งถ้าเราเสียสละของที่เราจะกินให้คนที่เขาแยากคนที่เขาหิวกว่าเราได้กินเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่าเชื่อไหม กินเองกลับไม่มีความสุขเหมือนกับให้คนอื่นเขากินเราไม่ได้กินขนมเลยแต่เราได้กินบุญทำให้เราอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอ่าอันนี้คือนี่พูดเปรียบเทียบให้ฟังเ่าเมื่อกี้มีขนมเนี่ยโยมถวายของมาเห็นเด็กสงสารมันเลยให้ยกขนมให้เด็กกินเรากินมันก็รู้สึกมันก็เท่านั้นว่ะแต่ให้เด็กมันได้กินแล้วรู้สึกว่ามีความสุขใจขึ้นมา ก็เลยเสียสละดีกว่าดีกว่ากินเองถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราไม่กินดีกว่าให้คนอื่นกินดีกว่ากินเท่าที่จำเป็นดีมันจะได้ไม่อ้วนด้วยแต่กินตามความอยากนี่มันความสุขก็ไม่ได้ได้ความอ้วนแถมมาอีกแต่ถ้าเอาเงินเอาของไปให้คนอื่นเขากินที่คนเขาอดอยากขาดแคลนได้กินเราได้ความอิ่มใจเย็นใจสุขใจเนี่ย ทำไปเถิดบุญนี่แะของแท้ของจริงจะทำให้ใจเรามีพลังที่จะทำความดีที่สูงต่อไปได้คำถามต่อไปจากคุณชาดากราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะการที่ผู้หญิงไปหลงรักพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะส่งผลให้ถึงกับตกนรกไหมเจ้าคะ่ะกราบขอพระคุณเจ้าคะ่ะ อ๋อถ้าไม่มีอะไรกันทางด้านร่างกายก็ไม่มีไม่มีบาปไม่ถ้าไม่มีการไปเกี่ยวพาราศีกันไปไปยุ่งกันทางร่างกายนี้ก็ไม่เป็นบาปเพียงแต่ว่าถ้าเป็นพระอริยะท่านก็ไม่มายุ่งกับเราหแต่เราควรจะรู้ว่าเรากำลังไปหาความทุกข์ไปหาความผิดหวัง อย่าไปรักคนที่เขาไม่รักเราเลยไปรักคนที่เขารักเราดีกว่าพรริยะท่านรักตัวท่านมากกว่ารักเราไปหาคนที่เขารักเรามากกว่าเขารักตัวเขาดีกว่าเขาจะได้ให้ความสุขกับเราคัาบ่ะหมดแล้วเลยอันนี้ก็ไม่ทราบเมื่อกี้พูดเป็นพรรยะนี่มันเป็นได้สองแบบ ภาริยาที่เป็นพระภิกษุกับหรือเป็นภิกษุณีหรือเป็นแม่ชีเป็นนักบวชกับภาริยาที่ไม่เป็นนักบวชเมื่อกี้พูดในเชิงของผู้เป็นนักบวชถ้าเขาเป็นนักบวชแล้วเขาก็ไม่สนใจที่จะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการกามอารมณ์ต่างๆแต่ถ้าเป็นภาริยาที่เป็นอ่เป็นปุถุชนเป็นเป็นไม่ใช่เป็นนักบวชเป็นคารว่าผู้คองเรือน แต่เป็นเส้นเป็นพระโสดาบันนี้ถ้าเราไปหลงรักท่านท่านก็อาจจะรักเราก็ได้เพราะว่าท่านก็ยังไม่พ้นจากการมีความมีการอารมณ์อยู่ก็ไปหลงรักกับพระริยะที่เป็นไม่ได้เป็นนักบวชได้จะไม่ไม่ผิดหวงังท่านอาจจะรักเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายถ้าเราไปรักเขาเขาเป็นขาเป็นผู้คองเรือน ถ้ายังไม่ถึงขั้นระดับพระอนาคามีนี้เขายังเขาอยังมีกามอารมณ์อยู่แต่ถ้าไปลักพระอริยระดับพระอนาคามีนี้ก็ผิดหวังเพราะท่านไม่เอาเราแล้วท่านเห็นร่างกายเราเป็นซากศพเห็นเป็นอสุภะตลอดเวลาท่านก็จะไม่สนใจกับการที่จะมาเสพกามกับผู้อื่นท่านจะมุ่งไปสู่ขั้นอรหัตผลต่อไป เป้าหมายของพระอริยะคือทำชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับแต่ถ้าระดับของพระโสดาบานันพระสกิดาคามีนี้ยังมีมารคอยกีดขวางอยู่คือกามอารมณ์ยังท่านยังกำจัดไม่ได้อยู่ถึง แ, แม้ท่านปรารถนาทำที่สูงกว่าแต่พอไปเจอคนสวยคนหล่อเขาก็อาจจะขอขอพักเดี๋ยวก่อน <c oughs> <c oughs> ขอหาความสุขทางการอารมณ์ก่อน ไว้ให้แก่ก่อนแล้วค่อยไปก้าวขึ้นสู่ทําขั้นสูงต่อไปจำได้ภาพรยะ บ, บุคคลบางคนจึงจึงไม่บรรลุทีเดียวพวดพาดบางทีก็ใช้เวลายาวนานเนี่ยเพราะบางทียังไปเสียดายเรื่องการอารมณ์อยู่ยังรักพี่เสียดายน้องอยู่ไว้ให้พี่รอก่อนตอนนี้เอาน้องก่อนเดี๋ยวให้แก่แล้วค่อยไปไปเอาพี่ต่อ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรักนะทางที่ดีอย่าไปมีอย่าไปรักใครดีกว่ารักตัวเราเองดีกว่ารักตัวเราด้วยการทาด้วยการปฏิบัติธรรมดีกว่าเราจะได้รับความสุขมากกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปรักคนอื่นนะแล้วคนอื่นแล้วก็อาจจะต้องมาร้องห่มร้องไห้ในภายหลังก็ได้เวลาที่เขาเปลี่ยนไปหรือเวลาที่เขาจากเราไปแต่ถ้า รักตัวเราด้วยธรรมะนี่ธรรมะจะไม่ทิ้งเราธรรมะจะเป็นคู่ครองของเราไปจนวันตายมีอีกไหมม้าค่ะคำถามจากคุณศิลินถาการเลี้ยงดูพ่อตาแม่ยายไม่เต็มใจจะได้บุญไหมครับก็ได้ไม่เต็มร้อยนะ ทำด้วยความเหมือนกินข้าวที่เราไม่ชอบกินนะกินอาหารที่เราไม่ชอบกินนี้มันก็อิ่มได้อาหารกินอิ่มแต่ไม่ไม่มันไม่ไม่เปิ่มไม่สนุกถ้าได้กินของที่เราชอบกินนี่โอ้ยมันทั้งอิ่มทั้งทั้งสุขทั้งอะไรอันนี้ก็เหมือนกันทำทานกับสิ่งที่เราไม่ชอบทำแต่เราทำเราก็ได้บุญจากการทำทานแต่เราไม่ได้ความเพิ่มปิติ ได้ความสุขจากการทำบุญนั้นเราจึงควรเลือกทำบุญที่ทำให้เราเพิ่มปิติด้วยได้บุญด้วยได้ความเพิ่มปิติด้วยได้ความอิ่มใจสุขใจเพิ่มมากขึ้นคาถามต่อไปจากคุณสีตากราบเรียนถามค่ะจะเตรียมของใส่บาตรทุกวันแต่ไม่มีเวลาใส่เอง ฝากคนในบ้านใส่ให้จะได้บุญเหมือนใส่เองไหมคะถ้าเป็นของของเราก็ได้นถ้าถึงแม้จะเราเป็นคนจัดแต่เป็นของของคนอื่นเราก็ไม่ได้เราได้บุญในส่วนตรงที่เราาเป็นผู้จัดของแต่เราไม่ได้เป็นส่วนในเป็นของที่เราเป็นของของเราเั้นบุญมันเกิดจากการเสียสละของของเราเป็นหลักส่วนการจัด ด้วยการไปทําไปใส่นี้ถึงถึงแม้ไม่ได้ทําเราก็ได้บุญที่ทเป็นส่วนของของเราแต่บุญที่จะไม่ได้ก็คือบุญที่เราจะไปจัดของเริ่มบุญที่เราจะไปใส่บาทเนี่ยอันนี้เป็นอีกบุญหนึ่งคนตัวอย่างกันคําถามจากคุณวิสุตาสมาุท t h ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะในระหว่างวันหนูภาวนาพุทโธ มีสติบ้างไม่มีสติบ้างแต่เมื่อเข้าห้องพระเพื่อทำสมาธิใช้พิจารณาลมหายใจเข้าออกจะเป็นการขัดกันในการภาวนาหรือเปล่าเจ้าคะไม่ขัดหรอกใช้ได้เปลี่ยนได้เวลานั่งอยากจะเปลี่ยนจากพุโทโธมาดูลมหายใจก็ได้เป็นเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนมือจากมือขวามาใช้มือซ้ายบางทีใช้มือขวามานานแล้วเมื่อยก็เปลี่ยนมาใช้มือซ้ายแทนก็ได้ คำถามจากคุณเนิยถ้าเรารักษาสินแปดแต่วาดภาพระบายสีแบบนี้ผิดไหมเป็นการวาดภาพเพื่อความสนุกสนานก็ไม่ควรทํำหรอเพราะว่าเราต้องการเอาเวลาไปภาวนากันถ้าเราไปวาดภาพเราก็จะไม่ได้มีเวลาภาวนาก็จะเรียกว่าเป็นการหาความสุขทางกามได้อย่างหนึ่ง เพเวลาเราภาพวาดภาพเห็นภาพที่เราวาดสวยงามเราก็เกิดความสุขขึ้นมาฉะนั้นไม่ควรทากิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายมาทำกิจกรรมทางใจคือการเจริญสติพุทโธพุทโธนั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมจะได้ประโยชน์มากกว่าคำถามจากคุณสินอินทา อยู่ไกลพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูแต่ส่งเงินไปให้และใจยังห่วงใจได้บุญไหมได้ดีกว่าคนอยู่ใกล้แล้วไม่ไม่เลี้ยงดูถึงแม้จะอยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ที่ว่าใกล้หรือไกลอยู่ที่ว่าเราได้อุปรธรรมประถางได้ทํานุบํารุงท่านหรือไม่ถ้าเราทํานุท่านด้วยการส่งเงินทองไปหรือจ้างคนไปทําหน้าที่แทนเรานี่เราก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ ได้ทำบุญกับพ่อกับแม่แต่ถ้าอยู่กับอยู่ใกล้กันอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เคยเลี้ยวแล้วเช้าก็ออกไปตลอดตลอดไปทำงานไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงเย็นกลับมาก็นอนคอกคอกไม่เคยเหลี้ยวแล้วดูพ่อดูแม่ว่าได้มีกินมีใช้อะไรหรือเปล่าอย่างนี้อยู่ใกล้กันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่ถึงแม้จะอยู่ไกลแต่โทรมาหาถามสาระทุกสุขดิบคอยส่งข้าวส่งของส่งเงินมาให้อยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนอยู่ใกล้กันคะคำถามต่อไปคำถามจากคุณอธิวัฒน์กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะดิฉันปฏิบัติรักษาศีลแปอยู่ที่บ้านจะได้บุญไหมคะ คือสมาทานศีลตอนเช้าตีห้ารักษาศีลถึงตอนนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกแควรจะรักษาตลอดรักษาให้มากอย่ารักษาถึงตอนเย็นแล้วก็หยุดแล้วก็กินข้าวเย็นต่อพยายามลองรักษาอย่างน้อยให้มันครบยี่สิบสี่ชั่วโมงดูสักวันหนึ่งวันหนึ่งคื น, นอย่างน้อยนีคือขั้นต่ํำการรักษาศีล ต้องอย่างน้อยหนึ่งวันหนึ่งคืนมันจะได้ครบรอบไม่ใช่เอาแค่บางคนขอถือศีลแค่แค่เย็นพอถึงเย็นก็ขอเปลี่ยนเป็นศีลห้าแล้วก็เปิดดูทีวีดูหนังดูละครน้องนำทำเพลงกินอาหารข้าอันนี้ก็ก็เหมือนกับถือศีลห้านั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไปถือศีลแปดหลอกเราตอนกัางวันทั้งเอง ถ้าจะถือศีลแปดควรจะถือหนึ่งวันหนึ่งคืน เ, เราจะได้ลิ้มรถของรถของศีลแปดอย่างเต็มที่ต่อจากคาถามเมื่อกี้นะคะการที่เราตั้งใจรักษาศีลแปดแต่เราแค่นั่งเฉยๆจะได้บุญในการรักษาศีลหรือเปล่าเจ้าคะได้การนั่งเฉยๆก็เป็นการรักษาศีลศีลสองรอยิบเจ็ดก็เกิดจากการนั่งเฉยๆเนี่ย ถ้านั่งเฉยๆได้มันก็ไม่ผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งจะมีศีลสามร้อยกว่าข้อหรือพันข้อมันก็รักษาได้หมดเพราะศีลนี่เป็นข้อห้ากห้ามการกระทําต่างๆนั่นเองพอไม่มีการกระทํามันก็ไม่มีการละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเนี่เยเป็นดาวจะนั่งเฉยๆได้นานสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเห็นขนมขึ้นมาก็อยากจะกินขึ้นมาเดี๋ยวเห็นเห็นละคร ดังทางข้างบ้านเ็าเปิดละครขึ้นมาเดี๋ยวก็อยากจะดูขึ้นมาเนี่นี่มันต่อไปมันจะนั่งเฉยเฉยไม่ได้สิถ้านั่งเฉยเฉยไปได้ทั้งวันทั้งคืนก็รักษาศีลได้ครบตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่บเจ็ดศีลสามรอยสิบอ็ดนี่รักษาได้หมดถ้านั่งเฉยเฉยนันะท่านเถีงบอกให้ไปนั่งสมาธิไงพอนั่งสมาธิได้แล้วก็รักษาศีลได้ทุกข้อ ไม่ว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเ็ดพอเราควบคุมใจได้ตัวเดียวก็พอหยุดใจได้ให้ใจอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรที่เราต้องไปทํานู่นทํานี่กันเพราะใจมันหิวใจมันไม่นิ่งใจมันไม่สงบเท่า น, นั้นเองอาจารย์บางลูกท่านบอกท่านรักษาข้อเดียวรักษาใจ รักษาใจให้สงบแล้วจะมีสีลกี่ร้อยข้อกี่พันข้อก็รักษาได้หมดรวมไปคุยกันที่อื่นได้ไหมเนาะตรงนี้ขอความสงบหน่อยถ้าจะคุยกันไปที่อื่นน ะ, ะต่อไปคำถามต่อไปจากคุณสมาร์ทนิวนะคะแกรบในมัสการครับขอโอกาสครับเทวโลกยังมีการเสพอบายามุกหรือทำบาปใหม่ครับ ไม่มีพวกเทวดาเขาไม่เสพบบายามุขเขาไม่ดื่มสุราเขาไมเา่เขาไม่ทำบาปเขาถึงไปเป็นเทวดาันไหนเขาเสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่ปราศจากโทษเย็นดูหนังฟังเพลงร้องนำทำเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้หมดแล้วนะเนี่ยมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม